บุ๊กทูยี่สิบเก้ารอยตมิดีที่ร้านอาหารหนึ่ง Resturant วัดดาวันโต๊ะนี้ว่างไหมคะยี่โต๊ลนี้เยาวรีนับบุกเชสกุลนะ่ะละดิฉันอยากได้รายการอาหารค่ะ กเมนูคุณมีอะไรแนะนำไหมคะมีเดนิสิฟส u g g e s ดิฉันขอเบียร์ค่ะนากูบีกาวลดิฉันขอน้ำแร่ค่ะนากูเนรลวอตอร์กาวลดิฉันขอน้ำส้มค่ะ นากูบัตไต้รสมกาวาลีดิฉันขอกาแฟค่ะนากูกาแฟกาวาลีดิฉันขอกาแฟใส่นมค่ะนากูปาลโตกลปินากาแฟกาวาลีการุณาใส่น้ำตาลด้วยนะคะเจคเกร์ตัหยิบวันดิดิฉันขอชาค่ะ นากูตีกาวาลีดิฉันขอชาใส่มะนาวค่ะนากุนิมมะไกร่รสสนโตทีกาวาลดิฉันขอชาใสนมค่ะนากุปารโาโตกลิปิเนทีกาวาลคุณมีบุหรี่ไหมคะมีวัดถาสิเกเรตเล่นไหนอะคุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมคะ มีวัตถะแอสเทรุนดะคุณมีไฟไหมคะมีวัดถะดีปมุนดะดิฉันขาดซ่อมค่ะนาวัดถะโฟร์เลดุดิฉันขาดมีดค่ะนาวัดถะชากุเลดุดิฉันขาดช้อนค่ะนาวัดถะสปูนเลดุ